ห o o สิบอด51การไปทาธุระอเดอรดิฉันอยากไปห้องสมุดฉันอยากไปร้านขายหนังสือ อยากจ่านปะบุคของดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมอยาก s ะไปกู๋ทิลดิฉันอยากยืมหนังสืออยาะล้มน้บดิฉันอยากซื้อหนังสืออยาดปะไอ้ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิม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 เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ฉันยากไปร้านแว่นตาดิฉันยปปอา ย, นยากไปร้านขายขนมปงัง ดิฉันอยากซื้อแว่นตาดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักดิฉัน k ยากซื้อ n น a k ังดิฉันอยากซื้อขนมปังดิฉันอยาก k ื้อขน b r ั d ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา้นตาเพฉันนอยากไปซูเปอร์มาร์ตเพื่อจะซื้อผลไม้และซื้อแฉันอจาฉันไปร้านเอาไปร้าน่เพื่อจะซื้อนัร่เพื่อจะซื้อ Jeg skal til bakeren for å k ö p e r u n d s t y c k e r og brød.